เรื่อเราศึกษากันมาพอสมควรนะแล้วก็เห็นพัฒนาการของตัวเองคือหลักของธรรมะมท่านสอนให้ดูตัวเองย้อนเข้ามาโอปนัยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเรานี่เองมาเรียนรู้มันถ้าเราเรียนรู้กายรู้ใจนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะคลายความยึดถือ ในกายในใจมันยึดไปไม่ลงถ่ากายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะคลายความยึดถือออก้าเราไม่ยึดกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายถ้าเราไม่ยึดจิตใจนะเราจะไม่ทุกข์เพราะใจถ้ามันไม่ยึดถึงใจได้จะไม่ยึดอะไรในโลกอีกงั้นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกอีกคำสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผล เย็บรลอมคนมีปัญญาสามารถเรียนรู้ตามท่านได้ธรรมะของท่านไม่มีวันเก่าเม่อเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแท้เรื่ออากาลิโกจริงตลอดแต่บางทีคนก็ลืมธรรมะของท่านเป็นช่วงๆลืมธรรมะไปธรรมะก็ไม่ปรากฏออกมา เป็นช่วงว่างจากพระพุทธศาสนานานๆก็นนมีพระพุทธเจ้ามาตรัสลุใหม่ก็เอาธรรมะของเดิมมาประกาศอีกก็เรียนแต่ธรรมะของเก่าก็เรียนเรื่องอะไรธรรมะก็เรียนเรื่องอริยสัจครับกลุ่มธรรมะทั้งหมดไว้แล้วถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจก็จะพลจากทุกทั้งปวงพลจากวัตตะที่น่ากลัวนี้ เราดูในชีวิตเรานะสิ่งที่น่ากลัวมีมากมายจนผู้ร้ายก็น่ากลัวนะความอดอยากยากจนความเจ็บไข้ได้ป่วยนะการเมืองวุ่นวายเลยเป็นสิ่งน่ากลัวพวกนี้น่ากลัวไม่มากหรอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัววัฏฏะการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ เ, เกิดที่ไรนะก็ตายทุกทีด้วยความทุกข์มันจะบีบคั้นจนเธอทั้งถึงตายทุกครั้งไป สัตว์ทั้งหลายไม่มีทางออกจากวัตฏะได้ก็ดิ้นรนหาวิธีที่จะออกจากกองทุกข์ส่วนมากจะหาวิธีให้พ้นจากความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นคนที่อาคิดจะออกจากวัตฏนะก็มีเหมือนกันก็พยายามหาวิธีการบางคนก็ไปหัดเข้าฌานไปเป็นพรหมคิดว่าจะออกจากวัฏฏะได้สุดท้ายก็ตาย มีเกิดที่ไรมีตายทุกทีนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคนพบวิธีออกจากวัตฏะได้อย่างอัศจรรย์ที่สุดลึกซึ้งนะแต่ไม่ลึกลับหรอกธรรมะของท่านเป็นเรื่องเปิดเผยสมบูรณ์ด้วยเห็นด้วยผลบินโยชนสามารถรู้ตามได้ไม่ใช่เรื่องรู้เฉพาะพระพุทธเจ้า ว่าพวกเราถ้าเป็นบินอยู่ชนนะคนซึ่งมีเหตุมีผลเขาลบในเหตุในผลสามารถยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ตามท่านได้ออกจากวัตฏะได้ถ้าเรามีหูมีตานะเราละลึกได้ถึงการเวียนไว่ายตายเกิดเราจะรู้ว่าวัฏตะนี้น่ากลัวหรือถ้าเราระลึกของเราเอกไม่ได้เราเห็นสัตว์ตายสัตว์เกิดอะไรอย่างนี้เราก็รู้ว่าน่ากลัว ถ้เห็นไม่ได้เลยก็ตูเอาว่าสุดท้ายเราต้องตายยังไงเราก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าดีแต่ละคนัก็สะสมอะไรต่ออะไรไว้มากมายสะสมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงครอบครัวถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ให้โลกเขาเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งมันเป็นความสูญเสีย แต่เราหมองคนทั่วๆไปมันดูได้แค่นี้ก็เลยกลัวตายแต่ถ้าคนมีหูมีตานะรู้ว่าตายแล้วมันเกิดสิ่งที่น่ากลัวกว่าตายคือเกิดจะกลัวเกิดนะตายไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าถึงไงก็ตายกลัวมันก็ต้องตายเขากลัวความเกิดกันทำไมใจถึงเกิดตัวนี้ตัวสำคัญพระเจ้ารู้ว่าทำไมมันต้องเกิดอีก ถ้าท่านจะเลยตัดวงจรของการเกิดได้การที่เราต้องมาเกิดอีกเพราะใจนี้มันเข้าไปยึดถืออารมณ์มันไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มาเป็นตัวเราของเราที่จริงตัวร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นของโลกจิตใจก็เป็นธาตุเรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นของโลกอีก แต่ความไม่รู้ทําให้เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามีตัวเราของเราขึ้นมานะแล้วก็อาการของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาพอเราไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราอาการปรากฏของทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเราไปยึดในจิตใจของเรานะอาการปรากฏของทุกข์ก็มีเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนะี่ยร่างกายไม่ได้ทุกข์แต่ใจทุกข์ เวลาเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักร่างกายไม่ได้ทุกนะแต่ ใ, ใจมันทุกเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นมาเราไม่สมอยากเนะี่ยร่างกายไม่ได้ทุกแต่ ใ, น ใ, นใจมันทุกนี่เป็นอาการปรากฏของทุกทางใจนะความทุกข์นั้นถ้าตราบใดที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเรานะแล้วก็เราเข้าไปยึดถือเอาไว้ ความทุกข์มันแนบอยู่ที่ไกลยความทุกข์มันแนบอยู่ที่ใจมันก็เท่ากับเราไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบคล้องไว้เหมือนเราไม่รู้จักงูเหา่าเราเห็นว่าตัวมันสวยดิแหววาวดำดำสวยเวลาถูกแดดเกล็ดของงูเห่านะสะท้อนแดดเนะี้ยเป็นสีรุ้งเลยสวยอย่างกับอัญชันมณีที่เคลื่อนที่ได้เราไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัยเราก็ไปจับเล่นกายนี้ใจนี้เหมือนงูเหา่า ดูว่าดีดูว่าสวยดูว่างามเราไปยึดเราไปถื อ, อไว้ไปโอบอุ้มเอาไว้มันมีโทษมีภัยเราไม่รู้เราไม่เห็นนี่พระพุทธเจ้าท่านพาให้เรารู้โทษรู้ภัยของกายของใจเราเองแต่ถ้าเราเข้าไปยึดเราเข้าไปถือความทุกข์มันจะติดเข้ามาด้วยถ้าไม่ยึดไม่ถือความทุกข์มันก็ไม่มาทําไมมันเข้าไปยึดนะความยึดมาจากความอยาก ความอยากมาจากการให้ค่าอย่างพอเรากระทบสัมผัสสิ่งต่างๆเรามีตาเราไปเห็นรูปที่สวยๆเราให้ค่าว่าดีเราก็รักรูปรักรูปแล้วเราต้องรักตาด้วยเพราะว่าเพราะมีตาเราถึงเห็นรูปเรามีหูเราก็เลยได้ฟังสิ่งที่ชอบอกชอบใจเราก็เลยรักหูไปด้วยเราชอบเสียงเราก็มารักหูไปด้วย เรามีจมูกเราได้กลิ่นเรามีกลิ่นที่ชอบบอกชอบใจหอมหอมอะไรอย่างเงี้ยเรารักกลิ่นนะเรารักจมูกไปด้วยเรารักความรู้สึกทั้งหลายเราก็ปลอยรักใจไปด้วยมันเนื่องกันไปหมดแล้วมาหัดมาเรียนมารู้ว่าเวลาตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์เวลามีความสุขเกิดขึ้นเราเกิดความยินดีพอใจเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมา อยากให้สิ่งที่เราพอใจนะมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอยากให้มันอยู่ตลอดไปเวลาเรากระทบสิ่งไม่พอใจนะความไม่พอใจเกิดขึ้นคือโทสะเกิดขึ้นเราก็เกิดความอยากอยากให้สิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยหายไปแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยความอยากมันมาจากการที่ใจมันไปให้ค่านะมีความสุขขึ้นมาก็พอใจมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่พอใจ มีความเฉยๆขึ้นมาก็จับอะไรไม่ถูกนะหมุนไปหมุนมานตัดสินอะไรไม่ถูกมั่วๆไปพอสุขขึ้นมาก็เด่นขึ้นมานะราคาแทแทรกก็อยากได้อยากมีอยากเป็นพอทุกเกิดขึ้นโทสะก็แทรกนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้หายไปพอความอยากเกิดนะใจจะเกิดการดิ้นรนขึ้นมาเนี่ยพอมีตัณหาใจก็สร้างภพตัณหาเป็นผู้สร้างภพ เป็นบอกนช่างผู้สร้างเรือนตันหาเป็นในช่างผู้สร้างเรือนตอนที่ท่านตรัสรู้นะท่านทักถ่ายตันหานะตันหาในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปนี้เจ้าสร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้แล้วสร้างเรือนก็คือสร้างพบสร้างชาติขึ้นในใจเรานั่นเองสร้างความเกิดให้เกิดขึ้นใจเราจะเกิดความดิ้นรนขึ้นเนะวลามีความอยากพวกเราดูออกไหมเวลาเราอยากใจจะดิน อยากมีอยากเป็นอยากได้ใจก็ดิ้นนะอยากให้สิ่งต่างๆหายไปใจก็ดิน้นะดินด้นจะเอาดิ้นจะผลักดิ้นทั้งนั้นนะเวลาจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนก็ดิ้นหมุนไปหมุนมานะงงๆจับอะไรไม่ถูกสงสัยนะวุ่นวายฟุนะ้งซ่านตรงที่ใจมันดิ้นไปดิ้นมานี่แหละเรียกว่าพบพอนะมีพบขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการไปหยิบฉวย เอาตาหูจมกูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาการหยิบฉวยมาซึ่งตาหูจมกูกลิ้นกายใจพอหยิบเอาฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจมาคือหยิบเอากายเอาใจมานั่นเองความทุกข์ก็ติดเหมือนด้วยเพราะว่าตาหูจมกูกลิ้นกายใจหรือกายใจของเรานะั่นแหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนะเพระ่ะฉะ้นอใจเราไปตะครุบเอา ยึดถือเอาร่างกายยึดถือเอาจิตใจมาความทุกข์มันก็เข้ามาสู่ใจเลยนะมันมาได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันกระบวนการนะเราเวลากระทบอารมณ์เกิดสุขเราก็ยินดีไปยินดีก็อยากมีอยากได้อยากเป็นก็อยากขึ้นมาก็ดิ้นรนใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็ยึดถือนะเวลาอารมณ์มากระทบ เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่พอใจใจก็ดิ้นหนีอยากอยากให้พ้นมันไปอยากจะให้หลุดไปนะใจที่ดิ้นรนก็นําความทุกข์มาให้อีกนะมันจะรู้สึกว่ามีเราขึ้นมาเรานี่แหละทุก์เรานี่แหละเจอสิ่งที่ไม่ดีอยากให้เราพ้นๆไปนะงันพวกเรามาหัดกรรมฐานนะมาหัดกรรมฐานที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็นอะไรเลย ความสุขก็เป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปนี้เวลาความสุขเกิดขึ้นในกายหรือความสุขเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้ความทุกข์เกิดขึ้นในกายความทุกข์เกิดขึ้นในใจให้คอยรู้นักคอยรู้รู้จักความสุขเห็นไหมทุกคนรู้จักความทุกข์ทุกคนก็รู้จักให้เราคอยรู้ทันโดยเฉพาะความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจเนี้ยเกิดบ่อยะ กระทบอารมณ์อย่างนี้ก็เกิดความสุขกระทบอารมณ์อย่างนี้เกิดความทุกข์เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้มีความสุขความทุกข์นะให้มันมีให้มันกระทบอารมณ์ไปแล้วมันเกิดความสุขให้มันกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดความทุกข์ไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ทําไมไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้เมื่อเรามีตาเราก็ต้องเห็นรูปเมื่อเรามีหูเราก็ต้องได้ยินเสียงเรามีจมูกเราก็ต้องรู้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัส สิ่งที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่ตึงที่ไหวมากระทบร่างกายมีใจก็รู้เรื่องราวที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันห้ามการกระทบอารมณ์ไม่ได้มันต้องกระทบคนทั่วไปพอกระทบอารมณ์แล้วไม่มีสติปัญญาที่จะคุ้มครองจิตใจก็ถูกอารมณ์นะครอบงาเจอสิ่งที่พอใจขึ้นมาก็รักมันติดอกจิตใจมันอยากมีอยากได้อยากเป็นเจอสิ่งที่ไม่ รู้สึกไม่ดีไม่งามไม่ถูกอกถูกใจนะปฏิเสธเหมือนดิ้นรนใจที่ดิ้นไม่ว่าจะดิ้นเพราะความรักหรือดิ้นเพราะความเกลียดก็คือดิ้นเหมือนกันแล้วนําความทุกข์มาให้เหมือนกันเนี่ยคนทั่วไปไม่มีสติปัญญาคุ้มครองใจพอกระทบอารมณ์แล้วใจมันก็ดิ้นอย่างนั้นแหละก็ะออกจากกองทุกข์ไม่ได้พวกเราลูกหลานพระพุทธเจ้านะ เราคอยรู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราคอยรู้ทันหัดรู้บ่อยๆถ้าเรารู้ทันนะเวลามีความสุขเกิดขึ้นนถ้าสติปัญญาเรายังไม่เข้มแข็งพอมีความสุขเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีราคะคือความพอใจแทรกเข้ามาในความสุขความสุขนะไม่ใช่กิเลสความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่ว่าพอมีความสุขแล้วมันเกิดราคะราคะเป็นกิเลสมันพอใจในความสุข เมื่มีความทุกข์เกิดขึ้นนะมันก็มีกิเลสโทสะแทรกเข้ามานะความทุกข์ไม่ใช่กิเลสนะความทุกข์กับความสุขเนี่ยเรียกตัววิบากเป็นวิบากนะเป็นผลของกรรมเรามีกรรมดีนะเรามีความสุขมีกรรมไม่ดีกระทบอารมณ์ไม่ดีมีความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นเป็นผลของของเก่าตาหูจมูกลิน้นกายใจเป็นกรรมเก่านะ แต่พอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วใจก็ทํากรรมใหม่งั้นเราไปห้ามกรรมเก่าไม่ได้มีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นได้รสมีกายก็รู้สัมผัสต่างกายมีใจก็ ก, กระทบความคิดนึกปรุงแต่งให้เข้ากระทบไปแต่กระทบแล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันนะถ้ารู้แล้วก็จะเห็นเลยพอมีความสุ ข, ขราคะแทรกราคะแทรกนะ ก็กิเลสปลุงให้มาน้าตันหาก็ต่อทำงานอยู่ที่ความไวของสติถ้ามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นเราเห็นว่าความสุขตั้งอยู่แล้วดับไปกิเลสจะไม่แทรกเพราะสติมันทํางานทันแต่ถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วสติทำงานไม่ทันกิเลสแทรกถ้าราคาจะแทรกถ้าราคาแทรกขึ้นมาเรารู้ทันราคาก็ดับใจก็ไม่ดิ้นหลนต่อ แต่ถ้าราคาแทรกแล้วเรายังรู้ไม่ทันเกิดความอยากไปตามอำนาจของราคามีความอยากแล้วคราวนี้จิตต้องดิ้นแน่นอนนะความอยากเป็นตัวสมูทยัยจิตต้องดิน้นรนจิตต้องมีความทุกข์แน่นอนห้ามไม่ได้ละห้ามไม่ได้แล้วบางคนสติไปเกิดตอนที่มีความทุกข์แล้วเราอย่าไปหวังว่าความทุกข์จะดับนะความทุกข์เป็นเป็นวิบากแนละ้วเป็นผลนะต้องรับกรรมแล้วเมื่อเราทําเหตุก็คือเรามีตัณหาไปแล้วตัณหาเป็นเหตุความอยากเป็นเหตุ มีความทุกข์เป็นผลเมื่อใรเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนะความทุกข์ต้องตามมาแน่นอนอันนี้ห้ามไม่ได้แล้วต้องชดใช้นะเรียกว่าทำกรรมแล้วต้องชดใช้แล้วงั้นจะช่วงที่จะไม่ต้องมาทุกข์นะก็คือสติต้องเร็วรตาหูจมูกริ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์ถ้ารู้ทันนะจะไม่ปรุงกิเลสจะไม่ปรุงตัณหาก็จะไม่ปรุงทุกข์ถ้ารู้ไม่ทันเกิดกิเลส มีสติรู้ทันกิเลสนี่ยมีราคะขึ้มารู้ทันมีโทสะขึ้มารู้ทันยังไม่ทันจะเกิดความอยากนะยังไม่ทันจะเกิดความอยากเรารู้ทันกิเลสซะก่อนมีกิเลสยังไม่ทันจะอยากนะการดิ้นรนหรือการสร้างภพจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าช้าสติปัญญาช้าจิตเกิดความอยากซะแล้วอันนี้ต้องยอมรับแลวว่าทุกแน่นอน ต้องชดใช้ใช้นีเ่านี้นะนนนะนันอยู่ที่เราฝึกยิ่งฝึกได้เร็วนะสติเราเร็วเท่าไรความทุกข์ในใจเราก็จะขาดสะบั้นลงเร็วเท่านั้นอันนี้เป็นการที่ความทุกข์ขาดไปเพราะเรามีสติรู้ทันนะอาศัยสติรู้ทันให้ไวๆตากระทบรูปผูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันฝึกให้มาก มันไม่ยากหรอกเพราะว่าสุขเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักอยู่แล้วะงั้นมันจะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะมีเวทนาก็าเลยมีตัณหามีตัณหาเกิด ค, ความยึดถืออุปาทานมีความยึดถือเกิดพบนะพบก็คือการดิ้นรนของจิตมีพบก็คือมีมีชาติคือการที่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเรามีชาติก็มีทุก อย่างบางคนไม่เข้าใจนะพระโสดาบันแบละสักกายทิฏฐิเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วทาไมยังยึดถือขึ้นโกลาอนกันละสักกับ ส, สักกายทิฏฐิได้นะแต่ใจไม่นยังอร็สอร่อยในอารมณ์นะมันยังไปจับอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ไม่ทันโสดาสักทาคาอนาคาเนี่ยยังรู้ไม่ทันหรอกจิตยังปรุงพบปรุงชาติอยู่นะ ย, ยังยึดถืออยู่ ยึดจืออยู่พระนาคาก็ยึดกายยึดใจอยู่ยังไปเกิดอีกการที่เราคอยมีสติรู้ทันความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงมากมายความทุกข์จะสั้นลงเมื่อเรารู้ทันหรือความทุกข์ไม่เกิดขึ้นยกเว้นแต่อารมณ์นั้นรุนแรงจริงๆถ้าอารมณ์ไม่รุนแรงมากนะความรู้สึกสุขทุกข์เกิดเราก็รู้ทันมันก็ไม่ปรุงความทุกข์ขึ้นมา ถ้าอารมณ์แรงๆมันจะรู้ไม่ทันเหมอนปลงกิเลสแ ล, ล้วงตัณหาแล้วก็ปลงความทุกข์ขึ้นมานะอันนี้เราสู้ด้วยสติการต่อสู้ด้วยสติเนี่ยสู้กันไม่รู้จักเลิกสู้กันเป็นคราวๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเมื่อไรมีสติก็เอาตัวรอดได้เมื่อไรขาดสตินะกิเลสก็มาครอบใจเราอีกตัณหาก็เกิดความดิ่นิรนของใจก็เกิดการยึดถือในกายในใจก็เกิดเป็นลาดับลาดับ นั้นการจะมาต่อสู้ด้วยสติเนี่ยยังไม่ใช่แก้ปัญหาถาวรจะแก้ปัญหาถาวรได้ต้องสู้ด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นต้องอาศัยสติไปก่อนถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญาการที่จะมีปัญญานะั้นทำอะไรก็อาศัยสติเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจเราเรื่อยๆไปอย่างร่างกายเราตาหูจมูกลิ้นกาย ม, มีอยู่กนระะทบอารมณ์เราก็รู้สึกนะ หรือร่างกายเราหายใจออกเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าเราคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกนี่เราขยับการปฏิบัตินะมาดูที่กายที่ใจให้มัง่งหรือใจเรามีความสุขก็ให้รู้ใจมีความทุกข์ก็ให้รู้นะหรือใจเราเป็นกุศลก็ให้รู้ใจโลบโรวดหลงก็ให้รู้ขยับออกมาเรียนรู้กายรู้ใจถ้ารู้อะไรไม่ได้ก็รู้ไอ้ความสุขความทุกข์ของเราต่อไปแค่นั้นก็พอแล้วนะ ไม่ทำกรรมฐานอะไรมากมายนะแค่รู้ทันความสุขความทุกข์แค่นี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ว่าต่อไปทีแรกมันจะรู้ด้วยสติมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันกิเลสไม่แทรกตัณหาไม่เกิดจิตไม่เข้าไปยึดถือความทุกข์ไม่เกิดนะต่อไปปัญญามันจะเกิดขึ้นการที่เรามีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจบ่อยๆมันจะเริ่มเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราว ความสุขมาจากไหนความสุขมาจากผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์นะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ก็ามาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นส่วนของร่างกายใจนี่เป็นส่วนของนามธรรมดังนะรูปกรรมนามธรรมานี้แหละมันไปกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์แล้วมันก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็ปรุงต่อเราจะเห็นเลยว่า ต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นนะ้ำจะเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานเพราะความสุขความทุกข์ในใจเราเกิดขึ้นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ก็ได้อาศัยใจคิดนึกก็ได้เะฉะนั้นมันจะเริ่มเห็นการทํางานทั้งของกายทั้งของใจนะเบื้องต้นอาจจะรู้แค่ว่ามีความสุขในใจเกิดขึ้นมีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแค่นี้ก็อย่างดีต่อไปมันจะเห็นต้นต่อ ความสุความทุกข์ในใจเรามันมาจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือมาจากใจคิดนึกมาจากกายก็ได้จากใจก็ได้ความรู้มันจะขยายตัวออกไปมันจะไปรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยว่าเราสั่งให้เกิดความสุขไม่ได้นะเราจะรักษาให้ความสุขอยู่ตลอดกาลก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจเรามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันไม่อยู่ในอำนาจ ความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วไม่อยู่ในอำนาจเราสั่งมันไม่ได้เราห้ามความทุกข์ไม่ให้เกิดก่ไม่ได้นะทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไล่ให้ไปมันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงอย่างนี้มากๆนะเราเห็นว่าตัวสุขตัวทุกข์อะไรเนี่ยไม่เที่ยงตัวสุขตัวทุกข์เป็นอนัตตาที่มาของตัวสุขตัวทุกข์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเอนะต่อไปพอเราฝึกมากข้ามากข้าขยายความรับรู้ออกไปก็เห็นอีก ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะมันรับรู้อารมณ์ได้เพราะใจเพราะจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าล้ำพังมีแต่ร่างกายยังไม่มีการรับรู้ต้องมีจิตเข้าไปรับรู้ด้วยนะมีจิตไปดูก็เลยเห็นรูปโดยผ่านทางตามีจิตไปฟังนะเลยได้ยินเสียงโดยผ่านทางหูตาหูจมูกลิ้นกายเปแค่เครื่องมือทําให้จิตเนี่ยไปกระทบอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมได้ เราจะเห็นการทํางานของมันเรื่อยๆโอ้เพราะอายตนะนี่งก็เลยมีพัทธะนะมีการกระทบอารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเลยเกิดการกระทบอารมณ์นะกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสัมผัส ท, ทางกายกระทบความคิดนึกทางใจพอกระทบแล้วก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดดีบ้างร้ายบ้างอะไรนะก็ปรุงแต่งต่อๆไปเกิดทุกข์ขึ้นมานะ ่สติปัญญานะไม่ค่อยแกกล้าขึ้นแก่กลากขึ้นมันจะเห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นต้นต่อเป็นต้นต่อพอไปกระทบอารมณ์แล้วนะมันจะเกิดรู้ไม่ทันเกิดูสุขเกิดทุกข์เกิดความอยากเกิดความยึดเกิดการดิ้นรนทางใจเกิดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายยึดถือในใจเนี่ยเป็นกระบวนการของมัน พวเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะไม่ใช่ฟังหลวงพ่อแล้วก็นั่งคิดตามไปเรื่อยๆนะไปดูของจริงเบื้องต้นไม่ต้องดูอะไรมากมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันนะต่อไปความรับรู้นี่จะค่อยขยายออกไปสุขทุกข์นี่มันยังปลายทางใช่ไหมมันมาจากตาไปเห็นรูปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์นี่มันยหบมาที่ผัสสะล้ต่อไปมันขยายออกไปอีกนะตาเห็นรูปได้เพราะอะไรเพราะมีตา ก็มีจิตที่ไปรับรู้เนี่ยอาศัยทั้งรูปทั้งนามนะก็เลยเกิดการกระทบผัสสะขึ้นมาได้ค่อยภาวนาต่อไปอีกนะภาวนาไปเรื่อยสุดท้ายมาปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นมันเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นใจมากเข้ามากเข้านะถึงวันที่ปัญญามันแก่กล้ามากมากมันจะรู้เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอก เป็นของโลกยืมของโลกมาใช้นะไม่ใช่ของเราถ้าเห็นได้อย่างนั้นได้ภูมิธรรมพระโสดาบันนะค่อยๆฝึกไปก็ได้พระโสดาบันหรือเราเห็นว่าสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ไดนะ้เสร็จแล้วปัญญาจะขยายตัวอไปนะเบื้องต้นเนะดูสุขดูทุกข์ก่อนก็ได้ค่อยขยายละเอียดลึกซึ้งเข้าไป จะเห็นนะสุดท้ายมันจะเห็นเนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะสิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นะแหละสิ่งที่เรียกว่าจิตใจก็คือตัวใจนะตัวที่รับรู้อารมณ์ทางใจนะเราเห็นมันทํางานมากๆปัญญามันแก่กลางไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะเห็นตรงนี้ยังไม่พอเห็นตรงนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นหนอนะจะได้พระโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีนะต้อเห็นต่อไปอีก ดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันมากพอมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จะเห็นกายเป็นตัวทุกข์นะทั้งๆที่ว่าเราหัดดูความสุขความทุกข์ในใจนะปัญญามจะค่อยแทงแทงแทงทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปถึงจุดหนึ่มจะเห็นในกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยมีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์นะมันทุกข์ตั้งแต่มีตาแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์แต่เมื่อตาไปเห็นรูปที่ไม่สวยมีหูก็มีทุกข์แล้วนะไม่ใช่เห็นทุกข์ ตอนที่ไปได้ยินของไม่ดีนะมีภาระเกิดขึ้นใครเคยรู้สึกไหมการที่ต้องดูต้องได้กลิ่นได้รสต้องได้ยินอะไรเนี่ยเป็นภาระของจิตเคยเห็นบ้างยังแสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอนาคนานะเนี <c oughs> เป็นภาระมากเลยนะกายนี้เป็นภาระเป็นภาระมากแต่ถ้าไม่ใช่กตาหูจมกูกลิ้นไะก่ร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยพวกเราเห็นไหมเป็นภาระ อย่างร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยเห็นเป็นภาระเนี่ยยังมองภาพรวมๆนะแต่ก็ยังดีเห็นว่าร่างกายเป็นภาระตั้งแต่หัวถึงเทา้าภาระเยอะไหมวันหนึ่งทำอะไรกับผมบ้างเฉพาะผมหวีผมใช่ย้อมผมสระผมดัดผมผมนิ่มทำให้แข็งผมแข็งทำให้นิ่มผมตรงทำให้หยิกผมหยิกทำให้ตรงก็ภาระเยอะนะ ผมดำดำทำให้เป็นสีสีผมขาวก็ย้อมให้ดำมายุ่งชะมัดเลยหรือผมเหม็นสาบต้องไปสะผมสะผมแล้วต้องไปทำอะไรทำให้แห้งเอาใดเป่าเอาใดเป่าแล้วผมกรอบไปหาน้ามันมาใส่พ ร, ะราะภาระต่อเนื่องเยอะนะเนี่ยทรงนี้แหละ ว, วิเศษที่สุดเลยเมื <c oughs> ่อก่อนหลงพ่อผมยาวอย่างพวกเรานะรู้สึกภาระเยอะชะมัดเลยนะ พอโกนได้นะโอ้ยมีความสุขนะมีความสุขนี่ยังนึกอยู่นะเมื่อไหร่จะหัวล้านให้หมดนะไม่ต้องโกนยิง่งโม้สบายมากเลยพวกเรากลัวหัวล้านไหมกลัวหลวงพ่อเนี่ยใส่ฝันนะถ้าหัวล้านไม่มีผมสักเส้นจะดีใจมากเลยไม่ต้องโกนหัวแค่โกนหัวยังมีภาระเลยคนไทยนะัภาษาเขแปลกนะโกนหัวก็ได้ใช่ไหมโกนผมก็ได้รู้เรื่องใช่ไหม แต่ตัดหัวก็ตัดผมไม่เหมือนกันภ <c oughs> าษาของเราสุดยอดเลยฝรั่งน่งงเนี่ยแค่หัวอย่างเดียวแค่ผมอย่างเดียวก็ภาระเยอะนะถึงเท้าเล็บเท้ามีภาระไหมต้องทำอะไรบ้างต้องตัดเล็บต้องทำอะไรต้องขัดต้องโอ้โอโอโยเยอะแยะบางคนทาสีด้วยทาสีย้อมสีบางคน ติดเพชรติดพลอยด้วยนะภาระเยอะนะถ้าแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเราเห็นแต่ภาพรวมนะแต่ละสติปัญญาเรายัางยังไม่ถึงแล้วว่ามีตาก็ทุกมีตาทุกเพราะตามีหูทุกเพราหนะหูอ้าวถ้ามันทุกแล้วทําไมไม่เอาไม้ทิ้มให้ตาบอดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นก่อนลงทุกก็จริงนะแต่เป็นทางผ่านเข้ามาของปัญญานะมันเป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสก็จริง แต่มันเป็นทางผ่านเข้ามาของปัญญาด้วยนะแล้วอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะไปทำประโยชน์ให้กับโลกได้ด้วยนะหรือไปทําโทษให้กับโลกก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมีร่างกายร่างกายทํางานนะทำอะไรที่มีประโยชน์หมายถึงว่าเรามีกายทําไมเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ทำไมไม่ไม่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันก็จะไปได้กายใหมนะ่มันไม่หมดหรอก นั่นนั่เราต้องมาเรียนรู้นะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นใจรักษามันไว้เอามันมาเรียนรู้ธรรมะนะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพอมีตาก็มีการสัมผัสอารมณ์ทางตาเกิดเวทนาความสุขความทุกข์ขึ้นทางใจพอมีความสุขความทุกข์ขึ้นก็เกิดความอยากขึ้นมีความอยากก็เกิดการยึดขึ้นมีความดิ้นรนทางใจขึ้นยึดอะไรยึดที่แรกยึดอารมณ์นะ แล้วก็เจิดดินรนทางใจสุดท้ายมายึดกายยึดใจซึ่งเป็นตัวผู้ดินนะเป็นตัวผู้ดินรนยึดกายยึดใจให้มาก็คือยึดเอาตัวทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอาศัยตาหัวจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นของไม่ดีนะอาศัยเรียนรู้ความจริงของธรรมะนะเรียนไปเรื่อยซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกปัญญาเบื้องต้นเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่ามันเป็นแต่ตัวทุกข์นะ ตัวที่เราเห็นเป็นตัวทุกข์ยางที่สุดคือจิตนะจิตเนี่ยเห็นเป็นตัวทุกข์ยากที่สุดนะถ้าวันใดที่เราเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันสลัดคืนจิตให้โลกเนี่ยภาวะที่พ้นจากทุกข์สิ้นเชิงจะเกิดขึ้นนั้นอาศัยปัญญาเนี่ยจะทําให้เราพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้อาศัยสติจะทําให้พ้นทุกข์เป็นเคลาเคลาสติรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดรู้ทันเนี่ยไม่ปรุงความทุกข์ขึ้นมา แต่ได้เป็นคราวๆขาดสติเมื่อไหร่ความทุกข์มาอีกไม่เหมือนปัญญานะปัญญาเนี่ยถ้ารู้แล้วนะใจจะไม่ถูกกิเลสหลอกอีกแล้วถ้ารู้ทันตัวไหนนะตัวนั้นกิเลสตัวนั้นจะกลับมาหลอกใจไม่ได้อีกแล้นะอย่างเบื้องต้นจะรู้ทันว่าตัวเราไม่มีจิตจะมาถูกหลอกว่าตัวเรามีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ังนั้นอย่างเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะเราสังเกตตัวเองได้เลยถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะ เราจะพบว่าขันมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจมีอยู่นะรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจมีแต่ไม่มีเจ้าของทุกวันนี้มีเจ้าของดวออกไหตาก็ตาของเราใช่ไหมหูก็หูของเราจ ม, มูกได้กลิ่นนะก็จ ม, มูกของเราลิ้นก็ลิ้นของเราใจก็ใจของเรามันมีเจ้าของ ในนี้รู้สึกไม่มีเจ้าของอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันเนะี่ยเจ้าของตัวนี้จะตายไปนะมันจะเหลือแต่ขันเหลือแต่อายตนะเหลือขันแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ครอบครองจะเห็นว่าขันมันทำงานของมันได้เองนะแต่ว่าความยึดถือความพอใจในขันยังอยู่นะนั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่ามีขันนะมีอายตนะแต่ไม่มีเจ้าของ มีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำใครกระทำขันมันกระทำเช่นร่างกายมัน <Whew. S 2> หายใจออกรูปมันหายใจออกนะร่างกายมันหายใจเข้ารูปมันหายใจเข้ารูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนั่นมันไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนพระโสดาบันจะรู้สึกอย่างนั้นมันจะไม่ใช่เราเวทนาคือความสุขทุกขเราก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์ก็ทําหน้าที่ของสุขทุกข์ เดี๋ยวเขาก็ปรุงสุขขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ปรุงทุกข์ขึ้นมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะไม่มีเจ้าของเขาทำงานของเขาได้เองนะสุขมันก็เกิดขึ้นของมันเองไม่ใช่เราสั่งทุกข์มันก็เกิดได้เองไม่ใช่เราสั่งเนี่ยเราจะเห็นนะมันไม่มีเราหรอกมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงมันก็ทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกนะความโกรธพวกเราเห็นไหมความโกรธมันโกรธได้เอง เราไม่ได้เจตนาจะโกรธมันก็โกรธตั้งใจว่าจะไม่โกรธก็โกรธเคยเป็นนะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูไปด้วยนะกระทั่งใจของเราสั่งมันให้มีแต่ความสุขก็ไม่ได้นะสั่งให้เกิดมังฝันนิพพานก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จะสั่งให้เกิดมังฝันนิพพานเลยสั่งให้มีสติยังไม่ได้เลยสั่งได้ไหมให้มีสติจงมีสติวันนี้จงมีสติทั้งวันพอสั่งเสร็ก็ขาดสติเลยสั่งไม่ได้หรอก เนี่ยดูของจริงเข้าไปนะดูซ้ำๆๆพอเป็นโสดานะถ้าโสดาจะเห็นว่าขันมันทํางานนะแต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทำนะขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันกระทางานแต่ไม่มีผู้กระทําขันมันทําของมันเองนะปกติพวกเราเนี่ยขันทํางานแล้วจิตจะเข้าไปแทรกแซงมันเล็กๆเป็นเราทํางาน งั้นพวกเราสังเกตนะถ้าใครคิดว่าตัวเองได้โสดาแล้วนะอย่าไปล็อกจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติที่สุดเลยอย่าไปประคองรักษาจิตไว้เลยนะให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแล้วลองสังเกตดูมันมีเราหรือไม่มีเรานะมันจะต้องมีแต่ถ้าแกล้งล็อกจิตไว้เช่นทําอย่างนี้ดูไม่มีเราคิดยังไม่คิดเลยี่จะไปมีเราได้ไง เราเป็มาจากคิดอีกไม่มีหรอกความมีเราเนะี่ยมันเป็นตัวทิฏฐิเรียกทิฏฐิเป็นความเห็นความเห็นมาจากความคิดนะงั้นมาเพ่งตัวเองไม่ให้คิดอะไรไม่เห็นมีเราเลยเนะี่ยแล้วบอกฉันดูทีไรไม่เคยเจอเราฉันเป็นพระสวสดาบัณฑนะ์นะเนี่ยพวกเราไปดูของจริงนะอย่าเป็นล็อกจิตให้เนิ่งถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณธรรมจริงหรือเปล่านะ ปล่อยให้มันทำงานตามธรรมดานี่แหละจิตปกตินี่แหละแล้วดูว่ามันมีเราไหมถ้าเป็นโซดาจะไม่มีนะแต่จะเห็นว่ามันแอบไปยึดไฟนะถ้าเป็นพระโสดานะไม่มีเราก็จริงนะแต่ว่ามีมือลึกลับไปยึดกายเอาไว้ยึดจิตเอาไว้นะมันแอบไปยึดได้นะแปลกพวกเราเคยเห็นจิตปล่อยวางอารมณ์จิตกี่อารมณ์รวมกันแล้วจิตปล่อยใช่แล้วเคยเห็นจิตเข้าไปตะครุบ จิตมันมีมือไหมมันไม่มีใช่ไหมแต่มันเหมือนมีมันตะครุบอารมณ์ได้มันตะครุบกายไว้ได้นะมันตะครุบจิตไว้ได้ไม่ใช่ตะครุบแต่อารมณ์ภายนอกหรอกมันตะครุบกายไว้ไม่ยอมปล่อยหรอกนะตะครุบจิตไว้ไม่ยอมปล่อยหรอกแต่เราภาวนาไปเรื่อยว่าบางวันเราจะเห็นมันวางกายลงไปบางวันเราเห็นมันวางจิตลงไปนะแต่วางระเดี๋ยวเดียวตะครุบเอาใหม่ไม่ยอมปล่อยจริงทําไมมันไม่ปล่อยเพราะปัญญามันยังไม่พอมันยังไม่เห็นจริงแล้วตัวกายนี่เป็นตัวทุกข์ มันจะไม่เห็นจริงว่าตัวจิตน่ะเป็นตัวทุกข์ถ้ามันเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นะมันจะปล่อยของมันเองงั้นไม่มีใครสั่งมรรคผลให้เกิดได้นะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วสั่งให้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีทางหรอกเพราะจิตมันจะปล่อยของมันเองนะถ้าเมื่อมีปัญญาแก่กล้าพอว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของดีกายนี่ไม่ใช่ของดีจิตนี่ไม่ใช่ของดีแต่เป็นตัวทุกข์นะงั้นเรามีหน้าที่พามันดูเรื่อยๆนะ มันดูเบื้องต้นไม่รู้จะดูอะไรก็ดูสุขดูทุกข์ในใจนี่แหละหัดดูไปต่อไปปัญญามันขยายตัวออกก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจได้สุขทุกข์มันก็มาจากกายกระทบอารมณ์บ้างใจกระทบอารมณ์บ้างนั่นแหละก็เลยไปรู้กายรู้ใจไปด้วยเนี่ยค่อยฝึกค่อยหัดของเราเนืองๆนะทําอะไรไม่ได้มีความสุขให้รู้มีความทุกข์ให้รู้ฝึกไปอย่างนี้ก่อนต่อไปก็จะเห็นเป็นลําดับลําดับไปตา หูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุร่างกายนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่วัตถุใจเป็นแค่นามาทำมันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต่อไปก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกปัญญาขั้นสุดท้ายนอกจากไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้ละที่สุดแห่งทุกข์ละทาไมเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะจิตจะทิ้งกายทิ้งใจปล่อยวางกายวางใจกายกับใจเป็นตัวทุกข์ เมื่อจิตทิ้งกายทิ้งใจไปจิตจะไม่ทุกข์อีกแล้วนะประหลาดตรงที่จิตทิ้งจิตจิตปล่อยวางจิตตัวนี้ยากที่สุดนะสู้ต้องสู้กันปังตายขนาดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆ น, นะหลวงปู่ดูลนะเคยบอกหลวงพ่อวันนึงอยู่กับท่านท่านนั่งก็อีโยกนะพวกเราก็นั่งกับพื้นนี่แหละะท่านก็ปราลบให้ฟังบอกว่าเออ นักปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่เป็นระดับกระทั่งระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่ก็คือเป็นพรหมผ่านาคาเนะี่ยเองเป็นพรหมผ่านาขาทําไมเป็นพรหมนาคานะเพราะปล่อยวางจิตไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องปล่อยวางจิตแต่การปล่อยวางจิตเนี่ยจิตเขาปล่อยของเขาเองนะห้ามเด็ดขาดเลยพวกเราอย่าวางปล่อยวางจิตไม่ได้นะพวกเราต้องรักษาจิตไว้ก่อน ต้องให้มีจิตผู้รู้ไว้ก่อนอ ย, อ, ยอย่าอยู่ๆจะไปปล่อยตัวผู้รู้ทิ้งนะถ้าเราทิ้งตัวผู้รู้ในขณะซึ่งกิเลสเรายังมีอยู่ทุกวันเนี้มันจะเหมือนเราทิ้งเรือกลางทะเลเอาไว้ถึงฝั่งเราค่อยทิ้งเรือจิตเนี่ยเหมือนเรือนะตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือเอาไว้ถึงฝัง่งเราค่อยทิ้งเรือพอเรือมาถึงฝั่งนะเราก็ถีบเรือใช่ไหมเราก็ถีบเรือกระโดดข้ามเข้าฝัง่งนะเราทิ้งเรือตรงที่จะเหยียบฝั่งแล้วถ้าเราไปทิ้งขณะนั้น ไม่ใช่ไปทิ้งตั้งแต่อยู่กลางทะเลตอนนี้อยู่กลางทะเลต้องอาศัยเรือก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตผู้รู้นะมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตเหลจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตเราเป็นผู้รู้แล้แลวเราก็อย่าไปปกครองให้นิ่งนะถ้าจิตเราเป็นผู้รู้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์น <c oughs> ะเกิดสุขให้รู้ทันเกิด <c oughs> ทุกข์ให้รู้ทันมันจะเห็นสุขเห็นทุกข์ทำงานขึ้นมาไม่ใช่เราละนะจิตจะเป็นแค่คนดู แต่ไปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเป็นแค่ธาตุแค่ขันรูปประธรรมบ้างนมามธรรมบ้างไม่มีเจ้าของนะปัญญาแก่รอบก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรียกว่าเห็นทุกข์เนี่ยเรียปัญญาขั้นสุดท้ายทำลายอวิชชาปัญญาตัวสูงสุดเลยเรียกว่าวิชชาปัญญามีชื่อเยอะนะ มีหลายแบบหลายระดับปัญญาเบื้องต้นในการปฏิบัติเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นให้รู้ว่าเราควรจะทําอะไรเราควรปฏิบัติอย่างไรรู้เรื่องเฉพาะตัวว่าอันไหนเราควรจะปฏิบัติอันไหนเราไม่ควรปฏิบัติแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติเช่นเราจะทําทสมถะเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับเราคืออาณาปณะสติเราก็ใช้อานาปณะสติไม่ลืมอานาปณะสติ เราจะเจริญวิปัสสนาเราดูไตรลักษณ์ของจิตเนเราก็ไม่ลืมที่จะดูไตรลักษณ์ของจิตนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะนะมีญาณญาณเป็นความอย่างรู้นะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นมันคอยตามรู้ไป้ยนะอย่างรู้ไปด้วยปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์นะเห็นเลยไอตัวที่มีขึ้นมาเนี่ยมันเกิดได้ดับได้วิชาเนี่เป็นปัญญาขั้นสูงสุดนะนะันเข้าใจอริยสัจ จะทำลายอวิชชาอริยศาสตร์ก็คือรู้ทุกละสมุ ท, ทัยแจ้งนิโรธนะเจริญมรรครู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุ ท, ทัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรครู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์หน้าที่ต่อสมุ ท, ทัยหน้าที่ต่อนิโรธหน้าที่ต่อมรรคเป็นยังไงนี่เรียกว่าเป็นวิชานะงั้นพวกเราต้องพาวนาจนวันหนึ่งวิชาเกิดวิชาเกิดก็คือเราเห็นแจ้งเลยในกล่องทุกข์ว่าขันทั้งหลายเป็นกล่องทุกข์ อายตนะทั้งหลายเป็นกองทุกข์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นตัวนี้มันจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไรในขณะใดที่รู้ทุกข์นะขณะนั้นจะละสมุ ท, ทยัยในขณะใดละสมุ ท, ทยัยในขณะนั้นแหละจะเห็นนิพพานเห็นนิโรธในขณะนั้นแหละจะเกิดอรหัตมัตินะจะเกิดที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันเลย รู้ทุกข์ลงสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดนรัตะมักในขณะจิตเดียวนะถึงมรรลองลงมาก็เหมือนกันแต่ว่าปัญญาจะไม่แจมแจ้งในกองทุกเท่าขั้นสุดท้ายนี้นะขั้นโสดาก็มีปัญญาระดับพระโสดานะสกทาคาพระนาคามีปัญญาเป็นลําดับไปนะขั้นสุดท้ายนะปัญญาเห็นแจ้งในกองทุกล้างอาวิชชาเพรงั้นพระโสดาสกทาคาพระนาคายังมีอวิชชาอยู่นะยังไม่แจ้งในกองทุก งนการรู้ทุกนี่แหละเป็นของดีของวิเศษนะพวกเราอย่าไปเกลียดทุกอย่าไปกลัวทุกมีทุกเราเรียนรู้มันนะอย่าไปหลงแค่อาการของทุกนะเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นแค่อาการของทุกตัวที่เป็นตัวทุกจริงๆคือไก่นี้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนานั่นเป็นอาการปรากฏของทุกขตัวที่ทุกข์คือใจนี้ค่อยๆเรียนเจอทั่งรู้ทุกแจ้งแจ่มแจ้ง ถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องละกิเลสอีกละจะละครั้งเดียวนะละแล้วละเลยไม่มีกิเลสต้องละอีกต่อไปงานนันนี้เสร็จลนะงานที่จะพ้นทุกเนี่ยเสร็จแล้วเราถอนตัวออกจากวัฏ ต, ตะได้ละใจไม่ต้องวนเวียนต่อไปอีกนะถ้ายังมีวิชาอยู่นะเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์สุขทุกมามันจะหลงต่ออย่างเป็นพระละหันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันก็ยังมีความรู้สึกนะมีความรู้สึก ความรู้สึกทุกเนี่ยมันเข้ามาได้แค่ร่างกายนะแต่มันจะไม่เข้าที่ใจนะความรู้สึกทางใจเนี่ยมี2ชนิดท่านนั่ น, นคือความสุขมันเรียกว่าโสมนัตมีความสุขจะมีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประณีตอย่างหนึ่งนะใจที่มันฝึกดีแล้วนะมีความสุขท่านถึงสอนบอกจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ประโยคนี้ตั้งแต่เบื้องต้นนะอย่างเราฝึกสมถะเราก็มีความสุขเพราะสมถะ เราฝึกรักษาศีลเราก็มีความสุขเพราะศีลเนี่ยเราฝึกให้ทานเราก็มีความสุขเพราะการให้ทานให้ทานก็มีความสุขรู้สึกไหมเราฝึกมาเป็นลําดับนะมามีความสุขดงั้นขั้นสุดท้ายเลยจิตที่ฝึกดีแล้วคือฝึกจนเกิดปัญญาเห็นว่าตัวจิตน่ะตัวทุกข์นะมันปล่อยตัวจิตไปโอ้ยมันสุขที่สุดเลยนะมันสุขที่สุดเพราั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าประโยคเดียวกันเนี่ยได้ตั้งแต่คนหัดใหม่ยันคนภาวนาถึงจิตสุดเลยนะ คำสอนของท่านลึกซึ้งเหมือนเวลาใครได้ยินพระพุทธเจ้าเทศนะ์นะจะมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านเทศน์สอนเราโดยเฉพาะเพราะว่าธรรมะของท่านเนี่ยนะแจกกระจายออกไปที่เรียกว่าพระพุทธโตผู้จําแนกแจกธรรมประโยคเดียวกันนี่แหนะทุกคนฟังได้ประโยชน์นะแต่ได้ไม่เท่ากันได้ตามชั้นตามภูมิของจิตใจนะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะไม่เหมือนวิชาทางโลกนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอนะ่ะไม่มากกว่านั้นหรอกเหมือนเหมือนกันหมด แต่ประโยคในธรรมะประโยคเดียวกันเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันหรอกมันตามชั้นตามภูมิของจิตเลยนะจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้คนละระดับกันเยอะแ ย, ยะเลยตั้งแต่ทําทานใช่ไหมก็คือฝึกจิตให้หายขี้เหนียวจิตก็มีความสุขรักษาศีลนั่นก็ฝึกฝึกจิตให้ไม่ยอมตามกิเลสก็มีความสุขนั่งสมาธิก็ฝึกจิตไม่ให้ตามนิวรณ์ไปจิตก็มีความสุขใช หัดเจริญปัญญาจนเกิดอริยามรรคแต่ละระดับเกิดอริยผลแต่ละระดับมันมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะขั้นสุดท้ายครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเออมันสุขปังตายนะท่านลำพึงลำพานวาสุขขนาดนี้มีด้วยหรือนะสุขแทบตายเลยนะเวลานั่งอยู่กับท่านนะดูท่านมีความสุขบางองค์นะอย่างหลวงปู่สุวัตนะท่านก็บอกสุขแท้นอ้อสุขแท้นอ้อนะท่านพิการไปนํามาตยา น, นั่งรถเข็นอยู่ ท่านบอกท่านสุขแท้นอเราเดินไดนะ้เราทุกแท้น อ, อ <laughs> ไม่เหมือนอย่างท่านนะเห็นท่านแล้วโอ้มเมื่อไหร่เราจะสะอาดอย่างท่านนะร่างกายท่านสบักสบอยนะีใจท่านงามครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นังามในนี้ก็มีหลายองค์ที่งามงามที่สุดองค์ไหนพระพุทธเจ้างามนะงามเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือพวกพระอราหันต์สาวกทั้งหลาย ถ้าเป็นคนดีก็งา ม, มาตามลําดับพวกเราใจงามไหมใครรู้สึกใจงามบ้างก็งามตามชั้นตามภูมิแหละใช่ไหมอย่างน้อยตอนนี้ก็งามกว่าเมื่อก่อนแลเมื่อก่อนเนี้ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้จนถึงหน้านะแล้วใจเราหมอมหน้าก็หมอมนะใจเราสว่างหน้าเราก็สว่างเมื่อวันพฤหัสเลยนี้ยมีโยมที่มาอยู่วัดวันพฤหัส โยมที่มาอยู่บัสคนหนึ่งนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามันแปลกนะความรู้สึกมันแปลกมันรู้ตัวนะแต่มันเบามันสบายมันว่องไวคล่องแคล่วนมันรู้นี่ฝึกมาตั้งหลาย10ปีแล้วเพิ่งเป็นอย่างเนี้ยเดีถามเขารู้สึกสว่างโปร่งใสาภายในไหมบอกรู้สึกบอกลองไปส่องกระจกโดยในห้องน้ําตรงนั้นนะ่ะมีกระจกนะไปดูกระจกแล้วเปิดไฟดูด้วยนะแกก็เชื่อนะเปิดไฟ แล้วก็กลับมาหลวงพ่อถามเห็นไหมว่าหน้าเราไม่เหมือนเดิมแกบอกแกเห็นนะหน้าแกก็ไม่เหมือนเดิมใจเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนนะใจมืดมื ด, มดหน้าก็มืดนะใจสว่างหน้าก็สว่างด้วยบางคนตัวดํานะผิวดำแล้จิตสว่างหน้าก็ผ่องใสนะดำด ำ, ดำนั้นก็ผ่องใสอ ย, อย่างดําๆนั่นแหละนะมันก็สวยนะมันไม่น่าเกลียดหรอกพวกเราตอนนี้ใครรู้สึกว่าใจเราสว่างขึ้นบ้างมีไหม ถ้าฟังเทศฟังธรรมสักขนาดนี้ยังมืดเหมือนเดิมแล้วก็แต่ไม่ต้องกลัวนะบัวมีหลายเหล่ายังมืดอยู่ก็ทนฟังไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พ้นน้ำจนได้แหละนะอดทนเท่าไว้แต่ส่วนใหญ่ในห้องนี้นสว่างสวยสวยงามนะอ่ะเท่านี้กันนะกราบนะมสักการหลวงพ่อค่ะคือยอมได้เคยส่งการบ้านเมื่อปีกว่ามาแล้วก็ ตอนนั้นเป็นช่วงที่มีแยกความรู้สึกกับกายรู้สึกว่ามันมันแยกกันได้แล้วท่านก็บอกว่าให้ไปดูความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่รู้สึกก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการรู้สึกที่ซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง hmm. ก็ไปหาว่ามันคืออะไรก็ได้ความว่าคือเวทนาคือ hmm. สุขทุกข์กับเฉยเยก็พยายามดูต่อไปก็เห็นว่าเออมันเป็นมันมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจาก ความรู้สึกที่ที่เกิดตอนนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยมันก็ไม่ได้รู้บ่อยคือรู้ยี่ไม่ได้คิดเองอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยแล้วก็เอ๊ะเราผิดขั้นตรงไหนก็เลยย้อนกลับไปไปดูเรื่องกายไปนั่งศึกษาเรื่องกายให้เห็นธาตุดินกับธาตุลมในตัวแต่น้ำกับไฟเนี่ยเห็นไม่ได้ก็รู้สึกได้กับดินกับลมถาตน้รู้ด้วยใจคาน้าน้ารู้สึกไม่ไม่รู้ว่าธาตุน้ำเนี่ยมันต้องเอาใจไปรู้ แล้วก็ก็ผ่านมาสักห้าเดือนที่ผ่านมาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามารู้ตรงปลายว่าสุขทุกเฉเฉยก่อนแล้วค่อยค่อยมองกลับไปได้ไหมไอ้ความรู้สึกข้างบนที่มันซ้อนอยู่เรารู้ตรงซ้อนข้างบนก่อนแล้วค่อยๆมองกลับไปถึงต้นทาง ซึ่งคำถามอันนี้มันก็อยู่ในใจว่าวันนี้จะอยากจะรู้เรื่องตรงนี้ mm. พอมาถึงท่านก็ได้เทศเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้ว mm. ว่าเราสามารถที่มองจากปลายทางเราไปหาต้นทางได้ mm. คือสมัยก่อนเมื่อปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะที่ว่ารู้ต้นทางรู้ความรู้สึกแล้วก็ไปต่อต่อไปเรื่อย mm. รู้สึกยังไงแล้วก็ความรู้สึกนั่นหายไปแล้วต่อมามาดูเวทนาแต่ตอนนี้เนี่ย ท่านได้เทศใ ห, ให้ฟังว่าเราสามารถที่จะดูตรงเวทนาก่อนแล้วไปดูฟีลลิ่งต่อที่หลังได้ซึ่งอันนั้นให้มันเห็นเองนะค่ะค่ะก็คือให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกได้คือก็ท่านได้ตอบคำถามที่มีอยู่ในใจแล้วเลากับว่าท่านเห็นว่าปัญหาของโยมคืออะไรคะ่ะก็ไม่ทราบว่าท่านมีอะไรที่จะแนะนำต่ออีกไหมคะใจเราต้องเป็นธรรมชาติธรรมดานะเราถึงจะเห็นกระบวนการทางานธรรมดาของมันนะ ก็โยมภาวนาใช้ได้แล้วล่ะไปภาวนาเอาแล้วพอจะใสขึ้นบ้างหรือยังคะอันนี้ดูด้วยตัวเองนะใครมีกระจกให้เขายืมหน่อย <c oughs> อย่าว่าแต่จะดูด้วยใจนะหน้ายังเปลี่ยนเลยค <c oughs> เคยเห็นแม่หน้าบางคนเราเห็นเราก็กลัวแล้วไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมบางคนหน้าตาไม่สวยนะแต่ว่ามันผ่องใสมันดูดีขอบคุณค่ะ ของโยมสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความคิดนะปัญญามันล้ําปัญญามันเยอะไปนะอยากกลัวงโง่นะดูซื่อๆไปดูสบายๆ ส, สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดรู้ไปเรื่อยๆแล้วเห็นมาทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปัญญามันก็จะถอยเขียมแจ้งขึ้นแกมแจ้งขึ้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจะเห็นย้อนลงมาขณะดพระพุทธเจ้าก็เห็นย้อนลงมานะ จะต้องเห็นจากของหยาบไปหาของละเอียดนะจะไปเริ่มต้นจากต้นต่อเืออาวิชาเพืจะไปเห็นทุก์เนี่ยไม่ได้เพราะอาวิชาละเอียดมากเราต้องเห็นตัวทุกข์ทุกข์เป็นตัวที่หยาบมากนะเราก็จะดูจากตัวหยาบไปจะสติปัญญามาละเอียดมันก็จะไปเห็นธรรมที่ละเอียดละเอียดขึ้นเป็นลําดับลําดับนะอ่ะต่อไปกราบนะมัสระารหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นเอ่อ ความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็โทรศัพเยอะยิ่งเวลาที่เราได้ยินเสียงนกหวีดแล้วก็ <laughs> ไปฟังเขาพูดแล้วก็เหมือนสติแบบไม่ได้อยู่ใจมันไปพุ่งอยู่ที่นั่นเลยอะค่ะนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอะนะต้องรักษาจิตไว้นะ <c oughs> สมมติว่าไปฟังเขาพูดนะเราก็ดูจิตของเราไปนะรักษาใจเราไว้ <c oughs> นะ <c oughs> คืออย่าไปเกลียดอย่าไปรักอย่าไปเกลียดใครเขาง่ายๆนะค่ะ ความรักเกิดขึ้นก็นำความทุกข์มาให้ความเกลียดเกิดขึ้นก็นำความทุกข์มาให้เราควรจะมองคนอื่นในฐานะว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเพื่อนร่วมทุกข์คนนี้เป็นอย่างนี้นะเพราะงัก็เป็นตามกรรมนะบางคนคนก็รักบางคนคนก็เกลียดก็เรื่องของกรรมอีกนะแต่เราอย่าไปเกลียดเขาถ้าเราเกลียดเขาแล้วเราทำกรรมใหม่ของเรา่ะ้ว ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะคำชี้แนะนะรัรักษาจิตไว้นะคะเราพอวนาให้มากๆนะค่ะอขอบพระคุณค่ะวันนี้ลูกตั้งใจเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะอืมดีก็เมื่อเห็นว่าจิตมันยึดอะไรแล้วมันหนาักกาัะหนัก<ช>หนักมากจิตยึดอะไรก็หนักนะเนี่ตอนนี้เราเห็นถูกแล้ว ต่อไปมันหนักกว่านั้นอีกตัวจิตนั่นแหละหนักเคยได้ยินไหมว่าขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระรหัน์วางของหนักลงแล้วไม่หยิบของหนักใหม่ขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์งั้นเราหัดภาวนาเราก็จะเห็นของหนักนะนั่นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์รู้สึกภาระไหมแต่ว่าใจต้องเป็นกลางนะ ใจไปเกลียดมันจะไปเกลียดมันได้ยังไงจะหนีไปอยู่ที่ไหนเราก็เอากายไปจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็เอาใจไปหนีมันไม่ได้ต้องอยู่กับมัน mm hmm. ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะต้องอดทนนะประเภทน้ําตาหนองหน้าเลยภาวนาประเภทมันทุกข์แต่ว่าถึงไม่ภาวนาน้ําตาก็นองหน้าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเยอะแยะนะ เราภาวนาแล้วเราเห็นแจ้งมากขึ้นมากขึ้นนะวันหนึ่งเราก็พ้นไปพระเจ้าท่านบอกว่าแต่ละคนนะน้ําตาเราในวัฏฏะหนึ่งในวนเวียนมาเนี้นะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั้นมันทุกข์จริงๆเลยผู้มีปัญญาก็เห็นทุกข์ผู้ไม่มีปัญญาก็หลงโลกการมหกรรมของพ่อครับคือ ตอนนี้ที่ปฏิบัติในรูปแบบก็คือสดมนต์แล้วก็จงกลมดูดูกายดูใจในระหว่างวันเขาพิจนะิตรได้นะครับราคาสงบลงบ้างปฏิฆะยังเยอะอยู่คือราคามีสงบลงบ้างโทสะยังมีเยอะอยู่แล้วก็เห็นมณะตายเยอะตอนนี้ภาวนาที่ความเห็นที่ได้ก็คือว่าความทุกข์ในกายไ ม, ไม่ได้มาจากกายแต่จะมาอยู่ที่ใจแล้วก็บางครงก็เห็นเหมนว่าตัวใจเองนะเป็นทุกข์เอง แต่ทําอะไรกับมันไม่ได้ <ทำ S 1> ฮะทำอะไรไม่ได้เราภาวนานะไม่ใช่เพื่อเอาชนะทุกนะท่านสอนให้รู้ทุกรู้ไปรู้ไปจนรู้ว่ามันไม่ใช่เราหรอกเราไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้นะใจก็ยอมรับมันได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่จะไปทําอะไรมันได้นะอย่าพยายามไปละทุกนะมีทุกขึ้นมาก็รู้รู้รู้ไปปันนึกใจเนี่ยมันจะพลากออกไปแยกออกไปเองมีแต่ความสุขนะภาวนา สังเกตไหมยิ่งเรารู้ทุกเรายิ่งความสุขมากขึ้นยิงนยย่งภาวนาจะมีความสุขแล้วยิ่งพาวนาก็เห็นทุกมากขึ้นมากขึ้นจอในที่สุดเห็นมีแต่ทุกนะอย่างอื่นไม่มีเลยแล้วใจก็พลากออกจากทุกนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกต่อขอบคุณครับเปลี่ยนไปเยอะแล้วละดี เออันนี้ยมขออโหสิกรรมก่อนได้ไหมคะขออโหสิกรรมไม่ได้ขอเขมาได้หลวงพ่อใหญ่กว่ากรรมไม่ได้ขอเข้ามาหลวงพ่อค่ะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเดินนะหลวงพ่อรับทราบนะค่ะอดีตปัจจุบันลอนาคตด้วยเลยนะคะหลวงพ่อกะว่าจะยังไงก็ต้องดูถูกอีกเนาะเอาเอได้ใจดีคือเราชอบขออโหสิกรรม โอโหสิกรรมเนี่า ก, กรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วนะมันจะไม่ให้ผลต่อไปเพราะงั้นกรรมเนี่ยมีกรรมต้องมีผลนะยังไงก็ต้องมีผลที่เราขอกันได้เขาเรียกขอขมาขอโทษอะไรง้นะเป็ น, นการประกาศว่าเราได้ล่วงเกินต่อไปเราจะระวังนะพระุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นวิธีการที่ดีเป็นเส้นทางในอริยวินัยจะกลาเปิดเผย ความผิดของตัวเองการที่เราจะไปขอโทษใครสักคนนี่เสียหน้านึกออกไหมจะต้องต้องใจกล้านะต้องเป็นคนใจดีจริงๆใจถึงจริงๆถึงจะทําได้ส่วนกรรมเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมนะพระพุทธเจ้าก็ใหญ่กว่ากรรมไม่ได้ยกกรรมให้เราไม่ได้หรอกหลวงพ่อยิ่งยกให้ใครไม่ได้เรากรรมกรรมหลวงพ่อก็ต้องรับของหลวงพ่อนะกรรมของเราเราก็ต้องรับแหละนั้นเราก็สํารวมระวังต่อไปนะ เห็นหรือเปล่าว่าใจเราไม่เหมือนเดิมหนโยงเหรอคะใช่ค่ะนะภาวนานะแล้วค่อยดูไปแยกแยกธาตุแยกขันนี่ชำนิชำนานนะดูธาตุดูขันแต่ละขันเขาทำงานของเขานะอย่าไปแทรกแซงขันนะพื้นฐานขี่โมโหไหมขี่โมโหค่ะเออนะเดี๋ยวนี้โมโหกับตกอนโมโหก็ต่างกันดูออกไหมดูออกค่ะเออนั่นะแหละพัฒนาการนะ่ะ ธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ะอัศจรรย์นะสามารถเปลี่ยนบัวเปลี่ยนควายให้เป็นคนได้นะไม่ได้ว่าโยมหรอกก็พูดถึงตัวเองเนาะไม่เป็นไรค่ะมันมันร้ายแต่ละคนนะที่พูดเต็มปากเพราะว่าดูจากกิเลสตัวเองหรอกว่าโอ้เราก็กิเลสเยอะนะธรรมะมาเปลี่ยนเราให้สว่างสดใสใมีความสุขได้ขนาด น, นี้เนี่ยความดีงามอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่เราเล่วนะถ้าไม่มีท่านเราไม่ได้อย่างนี้ ไม่มีความสุขขนาดนี้เราจะรักพระพุทธเจ้านะใค้ภาวนาหลวงพ่อยมถามนะคะคือตอนนี้วิถารละธรรมของโยมะคะ่ะโยมเปลี่ยนมาเจริญเมตตาถูกต้องหรือเปล่าคะถูกจเจริญเมตตานะแล้วก็รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไปนนขึ้นเดิมเราร้ายมากนะร้ายแบบเชือดคอได้เลย <S <S <S นะงั้นเราจเจริญเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะแล้วล่ะ ถ้าระเจริญเมตตาแล้วเนี่ยเคยรู้สึกนะดูร่างกายของเรามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกพยายามดูเข้าไปอะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเวลาไม่มีอะไรทำว่าเจริญเมตตาไปเรื่อยๆจะได้สมาธิมันมีสมาธิแล้วเนี่ยก็มาดูกายดูใจนะมันไม่ใช่เราดูนัตตาให้มาก อันนี้มันคือการทํมมาสมถะหรือเปล่าครับอะไรนะมันคือการทํมมาสมถะหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S ใช่แต่ต้องทํสมมาสมถะเพาต้องทํานะไม่ใช่ว่าห้ามทําแต่ทําด้วยปัญญาอันยิง่งพระเจ้าสอนบอกว่าสิ่งที่ควรทําด้วยปัญญาอันยิ่งคือส ม, มาถะและวิปัสนานะเราะฉนั้นเราต้องทํมมาสมถะให้ใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสงบมีความสุขอใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสุขความสงบแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานนะ ดูกายเป็นหลักไว้แล้วใจมันจะมีความสุขสบายอยู่งั้นดูยากดูร่างกายไปแล้วดูโดยนิสัยนะพวกโทสะเนี่ยปัญญามากกักจะกล้านั้นะดูอนัตตาไว้พวกปัญญากล้าจะเห็นอนัตตาง่ายดูไปมันไม่ใช่เราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูเหรอคะหลวงพ่อก็โยมยังไม่เห็นคิดใช่ไหมคะ ไม่ดูร่างกายไปก่อนคิดเอาก่อนก็ได้นะคิดนํานิดนึงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งคิดไปก่อนก็ได้นะจนใจมันมันคุ้นที่จะดูนะเดี๋ยวมันจะเห็นเอง <c oughs> นั่นตอนที่ยังคิดยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรักษณ์กนะ็ <c oughs> ใช้ได้นะค่ะแล้วก็ตอนนี้โยมมีสภาวะตอนนั่งสมาธิตอนกลางคืนนะคะ ยมจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคือสมัยก่อนก็ยังไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ยังมีคำบริกรรมค่ะอ <Ừ. S 2> ก็ยังอยู่กับคำบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไปนะบริกรรมไปจิตมีความสุขรู้จิตฟุงรร้งซ่านรู้จิตนิ่งๆิ่งรู้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆออกจากสมาธิแล้วจิตเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันนะหรือเห็นร่างกายเมื่อกี้มันนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ตอนนี้ออกจากสมาธิร่างกายมันลุกขึ้นยืนเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไป เพราอฉะนทำสมาธินะแต่ออกจากสมาธิแล้วเดินปัญญาต่อเลยดูกายดูใจต่อเลยอย่าทิ้ตอ่อเปล่าโยมทำผิดหรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงเนี่ยโยมจะจะมาติอยู่ตรงว่าเวลานั่งสมาธิตอนกลางคืนโยมจะไม่เห็นอะไรเลยถ้าไม่เห็นอะไรเลยดูร่างกายไว้ดูร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจอย่าให้หายอย่าให้กายหายไปรู้สึกไว้ไม่งั้นเป็นสมาธิลึกเกินไปไม่ยอมเดินปัญญา ออกมาแล้วก็นิ่งทื่อๆไปมันจะขมไว้นะแล้ววันไหนที่หมดแรงขมเนี้ยโทสะอันร้ายแรงจะขึ้นมาหลวงพ่อขยายความที่โยมหน่อยได้ไหมคะโยมไม่เข้าใจแต่โยมติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะก็นั่งสมาธิไปนะแต่พอออกจากสมาธิแล้วเนี้ยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงถ้ารู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเมื่อกี้มันมีความสุขตอนนี้ความสุขลดลงแนะเมื่อกี้มันเฉยๆตอนนี้เชก่อฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยดูความเปลี่ยนแปลง หรือถ้าดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ได้ดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อกี้ร่างกายนั่งตอนนี้ร่างกายลุกขึ้นยืนร่างกายเดินนะแล้วหางานทำนะขวาดบ้านทำอะไรไปเห็นร่างกายมันทำงานให้มากนะฝึกใช้ร่างกายทำงานให้มากๆแล้วก็มีสติรู้สึกกายไว้ถือจะแก้การติดนิ่งติดเฉยของสมาธิได้นะแล้วตอนที่นั่งอยู่ในสมาธิล่ะคะมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อเพราะมันไม่มีอะไรให้โยมดูนั่นไงเบือ่อ เห็นไหมมีดูไปที่เบื่อแล้วโยมก็จะออกเลยอะค่ะโยมเบื่อถูกกิเลสหลอกแล้วเห็นั้ยว่ามันไม่ได้ว่างจริงมันมีเบื่อนั่นแหละเบื่อนัเป็นสิ่งแปลกปลอมดูต่อนะดูจนไม่รู้จะดูอะไรแล้วไม่มีอะไรจะดูแล้วหมดเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาดูร่างกายทำงานต่อให้คนอื่นบ้างนะกค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ เ, ออเคยส่งการบ้านเมื่อปีกว่านะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดที่กุดกุดจาอากาศความฟุม้สร่านนะคะก็เลยเออตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองลดลงแล้วแต่ก็ยังมีความฟุม้งร่านอยู่อ่ะค่ะไม่เป็นไรนะมันดีขึ้นแล้วละ่ะฟุ้งนี้นิดหน่อยๆน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติสังเกตใจไหมอห่างบางทีใจมันอยากพูดมันจะมีแรงดันดวอกไหมถ้าดูจิตได้ดยจิตไปนะตอไหนดูจิตไม่ออกดูไกล กมม็มีคำถามมีคำถามนึ่นะคะเมื่อสามเดือนที่แล้วอะคะ่ะเกิดเวทนาตอนแรกที่เวทนามันเกิดเนี่ยมันยังพอแยกออกมาได้อ่ะคะ่ะว่าเห็นว่ามีเวทนาอยู่แล้วก็กายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เป็นคนดูแต่พอเวทนามันกล้าะคะ่ะมันเข้าไปรวมกันหมดเลยอะคะ่ะรวมให้รู้ว่ารวมนะแล้วก็อย่าไปเกลียดมันให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้นใจไม่เป็นกลางใช่มคะเราเราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะ อย่างเวลาเราตายอาจจะมีเวทนารุนแรงมากนะเราก็ต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละฝึกทุกวันทุกวันไปเรื่อ้าสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าถึงเวลาจะตายจริงนะจิตจะถอดออกมาดู ก, กายตายน ะ, ะมันจะไม่หวั่นไหวหรอก<ะ>เป็น อ, อัตโนมัติพอดีวันที่เกิดเวทนากล้าๆค่ะจิตมันก็บอกตัวเองว่าวันนี้ยังไม่ตายหรอก<ะ>แต่ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะคือมันเข้าไปรวมกันแล้วเกิดโทสะค่ะอ<ะ>ไมันจะเป็นโทสะแทน นะฝึกไปเรื่อยวันนั้นน่ะที่มันมีโทสะแล้วมันเข้าไปรวมเนี่ยนะเพราะว่ามันเชื่อว่าวันนั้นยังไม่ตายถ้าวันนั้นมันคิดว่าวันนี้ต้องตายแน่นะจิตจะไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคนงามความดีที่เราสะสมไว้จะรีบมาช่วยเราเลยจิตจะมีพลังแล้วตอนนี้ยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าอยู่อยู่มากๆเลยดีขอบพระคุณค่ะ อ่ามรมาสการหลวงพอ่อหนูเห็นเกิดดับแต่มไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีคําพูดหรอกดูเกิดดับไปเรื่อยนะจนใจมันพอใจมันพอแล้ววิปัสนาญาณที่สูงขึ้นก็เกิดการเห็นเกิดดับนั้นไหละเรียกว่าทำวิปัสสนาแล้วขอบขอบขอบคุณเจ้าค่ะมรมาสถารหลวงพ่อครับคือที่ผมส่งกันบ้านวันเนี้ยผมกังวลอยู่อย่างว่า ผมแยกธาตุแยกขันได้จริงหรือเปล่าเพราะ ม, มีบางครั้งเวล า, วลาแยกเนี่ยนะครับมันไม่ได้แยกตลอดเวลานะครั บ, รบมันแยกตอนที่จิตมีพลังมากพอแล้ว บ, บ, บางทีก็รวมบางทีก็แยกแต่บางคนเนี่ยไปล็อกจิตไว้ถ้าไปล็อกจิตเนี่ยแยกตลอดแต่จิตจะไม่เปลี่ยวจิตจะทื่อๆ อ, อยู่นิดหนึ่งเะฉั้นตรงที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วแยกขันได้เนี่ยมันจะมีสองลักษณะ ลักษณะหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แยกได้ดีนะถูกต้องถ้าใจเราอีกแบบนึงใจมันจะหนักแน่นๆอยู่นิดหนึ่งนะอันนี้แสดงว่าจงใจอยู่อันนี้ไม่ดีนะไปค่อยๆสังเกตเอาคือเมื่อสองวันที่แล้วผมฟังวิดีโอที่หลวงพ่อเทศแล้วมันรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนกำลังคิดตามที่หลวงพ่อเทศ แล้วมันมันสว่างวุบขึ้นมาเอออย่างนั้นแหละดี<น>ะ อ, ยอย่างนี้ใช่ใช่ดีนะให้รู้เอานะครั บ, ร, บรู้เอากิเลสอะไรมีก็รู้เอานะนเราวัดความก้าวหน้าที่กิเลสนะไม่ได้วัดด้วยอย่างอื่นเลยนะเพคราวนี้ขออีกคําถามเปนเรื่องกิเลสครับมีบางครั้งรู้สึกว่าเรารู้ว่าขณะนั้นกิเลสกําลังครอบงําเราอยู่อื คือเหมือนกับมันมันไปรู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็มาคิดตามต่ออือย่างนี้ก็อจะปล่อยให้มันซอ้องาำนะให้รู้ทันมันคือเวลาเรารู้ว่ามันคล้องามเนี่ยเราจะไม่ไม่ทําตามมันแต่รู้สึกได้ว่ามันทุกข์อ่ะใช่มันฉลาดนะเวลากิเลสตัณหาเกิดแล้วเราฟืนมันนะมันลงโทษเะอึดอัด แต่ถ้าเราทําตามใจกิเลสนะมันโยนขนมให้เราชิ้นหนึ่งหอมหวานแล้วเดี๋ยวมันก็จะเล่นงานเราต่อไอ้กิเลสเนี่ยหอมหวานในเบื้องต้นเผ็ดร้อนในเบื้องปลายถ้าเราไม่ยอมมันนะเผ็ดร้อนตั้งแต่เบื้องต้นเลยต้องสู้เอามันมันรู้มันรู้เองว่าพรามันกำลังครอบตอนนั้นมันจะครอบเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้มันก็ไหลไปเลยอาจจนไปด่าเขาเลยด่าตอบอไรเงี้ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ มีกิเลสก็ได้นะแต่รู้ว่ามีกิเลสถือว่าดีใช้ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับคืออย่าปล่อยให้กิเลสครอบจิตได้นะต้องพยายามรักษาจิตใจเราไว้นมสการ์ค่ะเมื่อเมื่อปลายกันยาต้นตุลานะคะโยมไปปฏิบัติธรรมที่นครปฐมแล้วหลังบ้านอ่ะเขามีบอกปลาตอนกลางคืน ตอกลคืนเขาวิทน้ำตอนเช้าบ่อน้ําแห้งก็มีคนมาจับปลาโยมก็นึกถึงคําสอนของท่านว่ า, าการจับปลาเนี่ยก็ศีลก็ช่วงนั้นก็ขาดไปแต่พอเลิกจับปลาศีลช่วงนั้นก็มาศีลช่วงนั้นก็ครบเอแล้วโยมก็เห็นจิตของโยมเศร้าหมองพอเห็นจิตเศร้าหมองปุ๊บจิตอีกดวงหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยแหละคือจิตทุกข์จิตอันนี้เป็นจิตทุกขสัตทุกในอริยสัจหรือเปล่าคะ คือถ้าเห็นตัวจิตเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างน้อยภูมิธรรมเราต้องถึงอนาคาแล้วตัวนี้เห็นทุกข์ไปก่อนนะถ้าทุกขศัตร์เนี่ยเมื่อไหรล่ละสมุทัยเมื่อ น, นั้นเลยนะยังไม่ใช่นะ <Okay. S 1> แต่ดีที่เห็นจิตเราเศร้าหมอง <Okay. S 1> นะอย่างบางทีเราเห็นเขาทําบาปเราก็เศร้าหมองนะเราสงสารเขาไม่อยากให้เขาทำอย่างเงี้ยนะอยากอยากให้มันเศร้าเขาทําบาปเราเศร้าหมองไม่คุ้มเลย แล้วแล้วโยมก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิน่ะโยมก็เห็นเหมือนกับเมฆมันรวมตัวมาแล้วมันก็เหลือเหลือเหลือเท่าเหรียญบาท อ, อนนือันนี้อันนี้เป็นการจิตรวมหรือเปล่าคะเป็นนิมิตเป็นนิมิตใช่ไหมค ะ, ะไม่ใช่จิตรวมใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วพอยมออกจากสมาธิอจิตเศร้ามองนั้นมันก็หายไปอ่ะเนยนะเนะพราะมันมีสมาธินั้นก็ไม่เศร้ามองหรอกค่ะแล้วแลว โยมไม่รู้จักว่าจิตทุกข์มันเป็นยังไงนะคะมันมันเป็นลักษณะยังไงเลตอนนี้เราเห็นแต่ทุกขเวทนาเนะเราเห็นตัวเวทนาจิตมีทุกขเวทนาจิตมีสุ ข, ขเวทนาแต่เรายังไม่ถึงขั้นที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกขหรอกนะกระทั่งกายเรายังไม่เห็นว่ากายเป็นตัวทุกขจริงเห็นไหมทุกขบ้างสุขบ้างเออต้องเป็นลําดับนะอย่าข้ามขั้นชกมวยอย่าข้ามรุ่นฝึกอย่างนี้ดีนะที่คุณฝึกมาหลวงพ่อพอใจอยู่ ดีขึ้นเรื่อยๆแหละปีนี้เป็นปีทองโยมเลยค่ะที่เห็น ส, ส, สภาวะต่างๆแล้วถามท่านไหลายห น, หนลเลยค่ะกลาบขอเปิ้คืนท่านดี<า>นะจิตพัฒนาไปอีกดีการมรดกการขอหลวงพ่อมันไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีกว่าแล้วคะ่ะในการปฏิบัติรู้สึกว่าบางทีเราบังคับไม่ได้อะคะอ่ะบางทีที่ทําเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีผลอืแต่ว่ามันก็เกิดผลพอมีผลนั้นขึ้นมา แล้วก็มันก็เสื่อมไปอย่างนี้ยค่ะจิตจิตก็เข้าไปรวมแล้วก็รู้สึกตัวตื่นรู้อยู่อีกวันหนึ่งก็ก็หายไป อ, อมันไม่เที่ยงหรอก<ฆ>เพราะมันบังคับไม่ได้ก็เลยอยากให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำนั่นนั้นถูกแล้วละ่ะที่เราเรียนกรรมฐานนะเพื่อให้จิตได้เรียนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตนตาเขาก็กลังสอนธรรมะเราอยู่ถูกต้องแล้วนี่แต่<ฆ><ฆ>เราอดทนนะ ทนเรียนรู้ซ้าแล้วซ้าอีกจนใจเรายอมรับนะปกติใจของเราแต่ละคนจะดื้อที่สุดเลยโนะดยเฉพาะการจะยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะเรารักตัวเองที่สุดันะ้น <c oughs> กว่าจะยอมได้นะต้องสู้กันนานเหมือนกัน <c oughs> แต่การปฏิบัติเนี่ยมันจะยากในช่วงต้นเท่านั้นแหละยากในช่วงที่ว่าทำยังไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้แล้วก็แยกขันได้ ถ้แยกขันได้แล้วเห็นขันแสดงใจรักได้แล้วเนี่ยถัดจากนี้ไม่ลําบากแล้วเราไม่ได้ทําอะไรขันแสดงใจรักให้เราดูทั้งวันเลยนะเรามีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองแต่ถ้าก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้นี่แหละยากเย็นแสนเข็ญ น, นะกว่าจะรู้สึกตัวเป็นกว่าจะแยกขันได้กว่าจะเห็นขันแสดงใจรักนะบางคนเรียนกันทั้งนานบางคนเดือนหนึ่งก็ทําได้แล้วแต่ละคนไม่เท่ากันหรอก แต่พอเห็นแล้วต่อไปนี้เมื่อไรใจจะยอมรับอันนี้แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนที่บารมีมากนะเคยเจริญสติเจริญปัญญามามากแล้วเนี่ยจิตมันยอมเร็วก็จะรู้เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลานานจิตมันรู้ช้าในกรณีของหนูนี่ก็คือว่าก็คือดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะถ้าตอนไหนมันฟุ้งมากก็ทำความสงบเข้ามา เราที่การปฏิบัติยังอยู่ในร่องรอยไหมคบ อ, อยู่คุณจ้าค่ะแต่ใจต้องมีแรงมากกว่านี้หน่อยวันนี้ใจไม่ค่อยมีแรงกับนรำมศการหลวงพ่อครับผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ4ี่ปีแล้วครับแต่ยังทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจยอยู่ครับ อ, อ้าวเหรออยากจะขอเขามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ข อ, ขอพ่อแม่มาไหมไม่มาครับใ้ไปขอต่อหน้ารขบสิ แล้วบางทีก็ดูดูกายดูจิตบางทีก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอครับแต่ก็อยากจะให้หลวงพอ่อเรานน้เราต้องไม่ไม่ร้ายกับพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นพระลรหันในบ้านเงินใจเราต้องอ่อนน้อมใจเราจะภาวนาง่ายนะถ้าเราทำพ่อแม่น้ำตาตกเรื่อยๆนะภาวนาลำบากนะไปขอขามาพ่อแม่ซะ แล้วก็การภาวนานะเพราะมันจะง่ายกว่านี้เวลาเวลาเดินนะครับเวลาเดินกับดูจิตนี่มันดูดูไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาเดินเวลาเดินแล้วเห็นแม้ร่างกายมันเดินเห็นเห็นคเออเห็นร่างกายมันเดินเราไปแค่คนดูเท่านั้นแหละไม่ต้องไปดูจิตหรอกถ้าเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นร่างกายมันไปยักหน้าเห็นร่างกายดูกายไปถ้าดูจิตไม่ออกดูกายเลยนะ แล้วแล้วผมควรจะพุโทโธพุโทโธแล้วก็เดินไปหรือว่าวิหารละธรรมเป็นยังไงคือดูกายเปแล้วนะถ้าเห็นกายได้จะพุโทโธไม่พุโทโธไม่สําคัญแล้วละ่ะนะเห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนหายใจออกให้หยใจเข้าเราดูสบายๆถ้าเราเป็นผู้ดูสบายๆได้แล้วใช้ได้แล้วละ่ะไม่จําเป็นต้องไปพุโทโธแล้วแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่จริตนิสัยนะอย่างหลวงตา ม, มหาบัวนะท่านพุโทโธตลอดเลยทําอะไรท่านก็พุโทโธ แต่พุโทโธนี้เป็นการเตือนตัวเองรู้ทันจิตไว้เดินเดินไปแล้วพุโทโธพุธโทโธด้วยทําอะไรท่านก็พุโทโธแล้วถ้าจิตท่านหนีไปแล้วท่านรู้เนี่ยพิธีที่ท่านฝึกมานะท่านบอกท่านพุโทโธตลอดท่านเคยเล่าเนี่ยจิตแอไปคิดแล้วเนาะใช่ครับไปคิดนั่นแหละพุโทโธไว้เ้าที่จิตหนีไปคิดเรารู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ทันจิตใช้ได้นะไม่ใช่ว่าภาวนามไม่เป็นหรอกขอบคุณครับภาวนานได้ดีอยู่ พวกเราภาณังเนะก่งๆ ก, ก็เยอะนะยุคนี้ <c oughs> ใช้ได้